ต่อไปสวดทํานองสรพัญญะบทพระพุทธคุณองค์ใดพระสามพุทธสสวิสุทธาสันดานตัดมูลกเรตมานบอมิมนมิมองมลหนึ่งในพระไทยทัน ก็เบอร์คือดอกบัวไรคีพ่อพันพวยสุวคนทถ้ากรรมจรองได้ประกอบด้วยพระการุณาดังสากอนรสหมู ชากรมาลโอค ก, กันดานที่ทางพรรเทาทุกและที่สุขกกเกมสารที่ทางพระนรุภานอันพนโส ว, วิโยภัย พร้อมเด่นจะพิธาจักสุจาัตวิมลสายเห็นเนทติไกลไกลก็เจนจบพระจักจรกันจัดน้ำใจยาบสันดาลบาเพงชายหญิง สัตว์โลกได้พึ่งพิงมาราบาปัเพนบุญข้าขอประนบนอนศิละกล่าววังคคุณสมพุทธกการุณยาภาพนันนิรันดนร